ดยการที่เรามานั่งรวมกันนี่ถือว่าเป็นบุญยาราบนะอันนึงซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่พระอาจารย์สมพงศ์หูจะเล่าให้ฟังหมดแล้วเนาะฟังแล้วก็ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าซ้ำอีกนะว่ากว่เจาเเป็นวันนี้ได้ที่นี่ได้ใช ทุกยากลำบากนะขนาดไหนเนาะวันนี้เราจะไม่เสียเวลาในพูดเรื่องความเป็นไปเป็นมาอะไรให้เสียเวลาพวกเรามีเวลาจํากัดก็อยากจะนั่งคุยกันลักษณะตัวต่อตั ว, ตวเพื่อมาให้ง่วงนะถึงแม้ว่าเหมือนนั่งคุยกันหลายคนนั่นเองชีวิตคือการเดินทางนะมาเอง หลังจากที่ได้ศึกษาทําความเข้าใจกับตัวเองมาโดยตลอดแล้แลก็ได้เห็นชีวิตตามลำดับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็ใช้ชีวิตผิดผิดพอใช้ชีวิตผิดมันก็เลยสุขบ้างทุกบ้างมันทำให้ชีวิตนี้ต้องละหกละเหิน ต่างๆนา น, น, า, นายิ่งอายุการพันษาการปฏิบัติยาวนานขึ้นก็ยิ่งเห็นชีวิตได้ชัดขึ้นชัดขึ้นตามระดับตามกำลังสติปัญญาพอได้เห็นชีวิตแล้วโอ้ความเข้าใจชีวิตให้ถูกต้องเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่แรกที่เรารู้จักรู้ความแล้วอายุห้าขวบเจ็ดขวบ มันต้องทำความเข้าใจกันแต่แต่นู่นเลยชีวิตเราถึงจะไม่มีทุกข์ชีวิตเราถึงจะสบายแต่ที่เราจะมาทำความเข้าใจชีวิตได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปสามสิบห้าสบหกสิเจ็ดสิบางคนแปดสิบเพิ่งเข้ามาก็มีใช้ชีวิตผิดไปครึ่งค้อนชีวิตก็ต้องไปรับใช้ชาติเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกเพราะเข้าใจผิดเราจะต้องเกิดอีกเข้าใจผิด ร้อยครั้งก็ต้องไปเกิอดอีกร้อยชาติพ่านชาติหมื่นชาติแสนชาติไม่จบสิน้นพอเริ่มเข้าใจชีวิตถูกต้องพบชาติก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งไม่ต้องเกิอดอีกไม่ต้องเหลือพบเหลือชาติให้ไปทุกข์อีกนั่นพลยพระเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของสัมมาทิฏฐิไว้อันดับแรกของการเดินทางเนียฮะ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้แล้วคุ้นเคยถ้าเป็นชาวพุทธของเราไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องสมาธิให้แจนแจ้งเนี่ยก็คงยังจะไม่ชาวพุทธที่แท้นะคือเพราะว่าเห็นเห็นถูกเห็นเห็นถูกต้องชีวิตเนี่ยการเห็นชีวิตถกต้องเห็นอย่างไรมีหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้พ่อของเราเกิดมา ทุกคนเนี่ยมันมีสองอย่างที่จะเดินทางชีวิตจะมีสองอย่างหนึ่งต้องมีดวงตาที่จะเดินทางสองเราเดินทางกลางคืนนะเดินทางตะวันอาศัยแสงสว่างของแสงตะวันเดินทางกลางคืนอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าไฟฉายนะ ชีวิตของเราต้องเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนนะคือหมายเขาว่าชีวิตของเราเดินทางทั้งกลางวันเหมือนวิชากลางคืนเหมือนอวิชานะอวิชาแปลว่าเดินเดินทางโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีแสงสว่างนะช่วงไหนที่พระอาทิตย์ออกเราก็ได้ได้พบแสงสว่างก็เดินทางได้สะดวกหน่อชีวิตคือการเดินทางตลอดเวลาคือทางด้านจิตใจ แต่ด้านร่างกายเราเดินทางช่วงที่จำเป็นเฉพาะคราวเฉพาะเรื่องแต่ทางด้านจิตใจแล้วต้องเดินทางตลอดเวลาจะสังเกตได้ว่าแม้แต่นอนหลับแล้วยังก็เดินทางคือฝันกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดจำได้บ้างไม่ได้บ้างคนที่ไม่ฝันเลยคือคนที่สิ้นสุดการเดินทางดังนั้นตราบใดที่มีการฝันอยู่ให้เข้าใจว่าตัวเองกาลังเดินทางอยู่ เมื่อไห้นอนไม่ฝันนั่นแหละเราสิ้นสุดการเดินทางกลางวันก็ไม่คิดกลางคืนก็ไม่ฝันกลางวันก็ไม่คิดแต่ทำงานด้วยแสงสว่างดังนั้นเองแสงสว่างในตอนกลางวันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าญาติโยมมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยโยมก็จะไม่รู้ถามว่ายมทางไหนไปทางทิศตะวันออก โยมคุจะบอกไม่ถูกเหมือนอาจจะไปทางนี้ทางโน้นถึงเราจะรู้ได้ไงว่าทางไหนเป็นทางทิศตะวันออกสําหรับโยมที่ยังไม่เคยมาเราจะรู้ได้ไงรู้ได้ว่าเมื่อฟ้าสางอีกนิดหนึ่งแสงเงินแสงทองขึ้นทางไหนทางนั้นก็เป็นทางทิศตะวันออกพอรู้ว่าทางนี้เป็นทางทิศตะวันออกเรารู้ทิศตะวันตกอยู่ทางไหนรู้แล้วใช่ไหม ก็เริ่มรู้ทางเหนืออยู่ทางไหนทางใต้อยู่ทางไหนเพียงแต่รู้ทิศเดียวทีต่ตะนออกทิศเดียวเราจะรู้อีกสามทิศฉันใดก็ดีนะแสงเงินแสงทองของโลกขึ้นทางไหนชีวิตเราก็เช่นเดียวกันอาศัยแสงเงินแสงทองเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะเดินทางไปทิศไหนบุริเจ้าตรัสว่าอุปนิมิตของ สมาธิที่การเห็นที่ถูกต้องมีสองประการบุพนิมิตคือนิมิตแรกของชีวิตเนี่ยที่จะทําให้ชีวิตไม่หลงมีสองประการหนึ่งต้องมีการิยนิมิตหรือภาษาบาลีท่านใช้ว่าประรัต โ, โขโสะคือได้ฟังจากผู้อื่นเราเรียกว่าการยานิมิตอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเราอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นพระสงฆ์พระเจ้าอาจจะเป็นมิตรสหายก็ได้แต่คนคนนั้น สามารถให้ดวงตาแก่เราได้คือให้ให้ดวงตาให้แสงสว่างคนจริงแล้วทุวกคนมีดวงตานะเกิดมาเนี่ยมีดวงตามาแล้วแต่ขาดแสงสว่างดังนั้นกรยารยามิตรจึงเป็นแสงสว่างแรกของชีวิตเราแต่เดี๋ยวนี้เรามีกรยารยามิตรหลายระดับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนฝูงคู่บอาจาย์เท่านั้น เรายังมี youtube เป็นกระไนามิตรมีเฟซเป็นกระไนามิตรมีไลน์เป็นกระไรนามิตมีเว็บไซต์เป็นกระไนามิตบางคนนี้ไม่เคยเจอครูบาอาจารยนะ์วันนั้นโย ม, มาหาธรรมาที่ภูเกต็ตเพราะว่าติดตามเฟซไลน์ของท่านมานานนี่เพื่อเห็นตัวจริงเลยตัวจริงเป็นยังไงวนะนั้น ก็ได้คุยกันเออเนี่ยเวลาจะเจอกเรียนมิตรตัวจริงก็เลยว่าต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มาอันนี้คือความเป็นโชคดีของคนสมัยนี้นะกเรียนมิตรนั้นทำไมจึงว่าเป็นแสงแรกของชีวิตเราเกิดมาใครเป็นกเรีนมิตรของเรากเรีนมิตรแรกของเราพ่อแม่นะพออยู่กับพ่อแม่ใช้สักเจ็ดปีเราก็ไปหากเรนมิตรคู่ที่คนที่สองคือใคร ครูพออยู่มาเอกเจ็ดปีเราเจอกระมิที่สามคือใครอาจารย์ครูบาครูว่าอาจารย์เราเจอมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เด็กสามขวบมันเล่นมือถือเป็นแล้วมันเจอก็ได้มตั้งแต่สามขวบแล้วนะเด็กสามขวบเรียกหามือถือแล้วทุก ว, วัน <c oughs> วันหนึ่งไปเห็นเด็กอ่าพีม่มัน ยังมือถือเ อ, อจาจะมือมันดิน้นรมตินตายแลย้วร้องไห้บิดตัวบิดตัวงอเลยโอ้โหมันมือถือมีอิทธิพลขนาดนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกร้องหือเด็กสามวกดูที่ว่าการณมิตรของเราเป็นการณมิตรหรือเป็นป่าพมิตรเนียเราก็ไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไปใช้ป่าพมิตรไม่ใช่การณมิตรดังนั้นการณมิตรคือผู้ที่ให้แสงสว่าง แต่ทุกคนมีดวงตาอยู่แล้วแต่ดวงตานั้นยังเป็นยังมืด อ, อยู่เวลากลางคืนอย่างนี้ถ้าเราจะไปไหนเนี่ยไฟฉายมันติดมือทีเดียวกระยาิตคือผู้ให้ไฟฉายให้แสงสวา่างแต่ว่าในส่วนดวงตานั้นท้าเรียกว่าอันองค์ประกอบอันที่สองเรียว่าโยนิโสมนานสิการนะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กระยมิตรเราก็ยัง โยนิโสมณสิการของเราก็ยังไม่ลึกพอไม่กว้างพอบางทีก็อยู่บ้านนอกเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนไม่มีไฟฉายแล้วก็ใช้แค่ได้ใช้แสงเดือนแสงดาวได้ก็ไปได้เหมือนกันนะไม่มีแสงสว่างดังนั้นญาติโยมทั้งหลายมาที่นี่ก็มาตามหาแสงสว่างมาตามหาแสงสว่างก็มาเจอแสงสว่าง โซล่าเมื่อก่อนไฟสว่างอันนี้เราจะได้เสียงไงเครื่องไฟไนงะเครื่องไฟตุ้มๆๆๆๆในสมัยมาอยู่แรกๆแต่มาอามาก็บอกว่ามันไม่ไหวกันพวกมันเป็นมูลพิษทางเสียงมันก็อให้เกิดสั่นสะเทือนทางระบบประสาทเฉพาะรื่องตาก็พอแหลงแล้วหูก็ยังสะเทือนใจมุกลินกายสะเทือนอีกทําให้จิตของเราไ ม, ไม่สงบเราหาแสงโุล่าเซลล์ดีกวา มาก็เริ่มต้นที่วัดดอยแหละเดี๋ยวนี้ทางวัดดอยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะทั้งตู้เย็นพัดลมน้ำไฟนะเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราเตรียมตัวไว้ก่อนต่อมาพระจันพงจันเกียมก็เริ่มทังทีนี้บ้างตอนนั้นกริยะนนิมิตคือผู้ให้ห้างดวงตาได้แสงสว่างนะการเดินทางประกอบด้วยดวงตาได้แสงสว่างฉันใด ชีวิตจริงของเราก็ประกอบด้วยดวงตาคือปัญญาจักสุปัญญาที่เป็นสัมมปัญญาเป็นสมาปัญญาที่สมามสติแล้วก็ตัวกระเรมิตคือบวัวอาจารย์ได้พบกันเป็นครั้งเป็นคราวพบกันเรื่อยๆก็บอกกันเรื่อยๆตอนนี้คุณเดินทางไปถึงไหนแล้ววิธีการเดินทางต่อมาพอพบกัะเรมิตรแล้วกระเรมิตรให้อะไรแก่เรา ถึงมีความสําคัญการมิตรให้สิ่งแรกที่เรียกว่าแสงแรกเราเรียกว่าสุตมะยปัญญาคือการได้ยินได้ฟังถ้าเราไปพบครูอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นการมิตรได้ต้องให้ปัญญาเราอันดับแรกคือเราทําให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอันแรกที่สุดสิ่งแรกที่สุดที่ว่าคนนี้เป็นสัญญาณแห่งกเรณมิตรของเราต้องทําให้เราเกิดปัญญาให้ได้ ถ้าไปฟกแกรมิทแล้วไม่ทาให้เราเกิดปัญญาไม่เรียกว่ากระะัรยาณมิรเรียกว่ามิรธรรมดาต้องทำให้เราเกิดปัญญารนดับที่หนึ่งคือได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยฟังสองเมื่อท่านพูดให้ฟังแล้วเราเข้าใจเข้าใจว่าท่านพูดอะไรสิ่งที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างไรเข้าใจเฉลีแจ้งทีเดียวสามเอาไปทาได้ เข้าใจฟังแล้วเอาไปทําได้ถูกต้องทีนี้กรยารณิมิตรที่จะทําให้เราได้เกิดสุดะมยามันทั้งเยอะแยะวันไม่รู้ฟังเรื่องอะไรบ้างถึงได้ตื่นนอนจนหลับก็ฟังเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่การณียายนมิตจะให้เราได้ฟังเรื่องต่อไปนี้หนึ่งฟังเรื่องในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านจะพูดเรื่องนี้ให้เราฟัง คือพูดสิ่งที่มันอยู่กับเราให้เราฟังขณะที่นั่งมาเนี่ยตอนเด็ตื่นนอนมานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราตื่นที่สามครึ่งเนาะที่สี่ตนนี้ที่ห้าเสร็จก็ประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมเดี๋ยวจบยังไม่ถึงสองชั่วโมงนะในสองชั่วโมงเนี่ยลองคิดย้อนรอยถอยหลังกลับไปคืนว่าสิ่งแรกที่เราตื่นมาเนี่ยเราเจออะไรก่อนได้สังเกตไหมว่า พิกตอนตื่นมาเราพิกซ้ายหรือพิกขวาลุกขึ้นใช้แขนข้างไหนค้ำยันตัวเองให้ลุกขึ้นอ่าได้หายใจลึกๆไหมในช่วงที่ลุกขึ้นแล้วเก็บผ้าผ่อนทอนสบายอามาตอนแรกมาเมื่อวานจันโผงให้ไปนอนอยู่นูน้นลงรถเก่าโอ้ไม่คุ้นพอนอนอยู่ที่วัดดอยมานอนอยู่กลางลานกับนิ่งน้อยดูนอนนอนดูเดือนดูดาว ลานด้านหน้าที่ชมวิวเนี่ยามาก็มานอนนทุกวันเมื่อคืนไปนอนในที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ในห้องนอนในห้องไม่ค่อยเป็นนอนที่กางแจ้งไปเลยลากเอาเต็นท์ไปนอนอะไรระเบียงตัวนั้นอ่ะเมคืนอด็ตน้อยเอาหนะึ่งเอาตื่นมาแวมันสดชื่นนะอ่ะสดชื่นแจ่มใสได้เห็นดูดวงดูดาวแล้วก็ไม่ต้องนอนเยอะนะสามสีชั่วโมงเนี่ยนอนแล้วไม่ฝันนะหับสนิทตื่นมาสดชื่นก็เริ่ม ในวิธีการของธารมาตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรก่อนโยมโจ๋จำได้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรก่อนออกกำลังกายไปไข้ห้อยสวนเนี่ยพาพระยมออกกำลังกายช่วงแรกก็ชนะุดของอาว่าตบหลังตบไหลชุดที่สองก็เดบไฟที่เบ็ดที่ไหล่ห้าท่าโยมโจ๋ยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำแล้ว ชุดที่สามก็ทำรุมปลานแล้วก็จัดเส้นเห็นตื่นขึ้นมาเอามาก็ทำเสร็จละชั่วโมงหนึ่งก็ลงมาหายุมนั่นเพราะฉะนั้นตอนตื่นขึ้นมาตอนแรกที่สุดเราต้องจัดการธาตุขันของเราเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางซื้อก่อนเพราะวันนี้เราจะทำอะไรถ้าไม่ฉุกละหุกไม่จำเป็นจริงออกมาไม่ขาดเลยนะเพร่อมาทำงานมาตั้งแต่ปีสองห้าสามูนจนถึงปัจจุบันหกสิบปีเนี่ยเออสาสิบปีเนี่ย ถ้าร่างกายไม่ทําำหนี้ร่างกายอยู่ไม่ได้เลยเอามาไปคุณอ่อนแอนะเป็นคนนะุณอ่อนแอเมื่อรู้ว่าเจบรู้จักมาปฏิบัติธรรมรู้ว่าจบรู้จกัาจา ก, จกตนอ่อนแอแล้วเอ๊ะมันเป็นอนัตตาอ่อนแอก็ทําให้เขี้มแข็งได้นี่เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราสามารถดัดแปลงแก้ไขได้ตามต้องการแต่ถ้ามันเกิดเป็นตัวตนแข็งทื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอนัตตานั่นดีแล้วเพราะเราจัดการมาได้อ่า ตันนั้นสิ่งแรกที่สุดเราจะต้องได้ฟังว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรตื่นขึ้นมาสบายกายไหมไม่สบายแล้วเรียกหาห้องน้ำเรียกหาแปลงสีฟันเรียกหาไฟฉายอ่าจะต้องพับที่อยู่ปูที่นอนที่จะนอนมาทั้งคืน่ะต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่สบายแ ล, แล้วได้ตามรู้ทุกเหล่านี้ไหมทุกต้องกำหนดรู้ใช่ไหมหไหมันจบแล้วได้กำหนดรู้ตลอดไหมอ่า ขอโทษนะที่ต้องเอ่ยถึงยม่วนหลายครั้งเดี๋ยวเอ่ยถึงดเรเพีย น, นะขุนหน้ากัน mm hmm. เออแล้วก็ดูตามลาดับอย่างเงี้ยดูตามลําดับมาทําอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันก็ยังทำหมามันก็มาเดินกโชกลมให้เราดูว่าด้วยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรีบต่างทีหมามันจะวิ่งยบยบยบๆใช่ไหมอันนี้มันเดินโชกลมอย่างนุ่ยนาดเลย mm hmm. <laughs> นั่นเห็นไหมอูประกอบดีกว่านนี้น้อยมานั่งเป็นหางเครื่องอยู่ข้างหน้าหมามาเดินสวยกว่าเลียงยายนิดน้อยพื่อนเมื่อเหลืออะไรนิดน้อยปิวไปทางอื่นหมดละนะเราจะบอกว่าหน้าข้างหน้าทําให้หลวงพอ่อติดอารมณ์แน่เลยเราไปนั่งข้างหลังอลูกไปนน่นลูกไปนี้ แต่นั้นสิ่งแรกที่สุดเราจะต้องดูว่าทุกต้องกําหนดรู้ตื่นขึ้นมามันมีทุกหลายอย่างใช่ไหมต้องรีบเข้าห้องน้ำต้องรีบแปลงฟันต้องอะไรต่างอามาก็เลยเออทุกต้องรู้ทําให้มันทุกให้เห็นเลยออกกำลังกายทุกให้มันหนักๆชีวิตอย่าให้มันสบายเกินไปร่างกายเนี้ยถ้าร่างกายสบายเกินไปมันจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกก็ต้องทําให้มันทุกแต่ทุกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าทุกอย่างไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวน่นก็เรียกเป็นสมุทยัย แต่ทุกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนั้นมันเป็นยโรตอ่าเอามาทำมาโอ้ทุกอย่างรู้เนื้อคือจงใจที่จะทุกอย่าทุก้ดยความไม่ตั้งใจทุกวันนี้ทุกมันไม่จบเพราะเราทุก้ดยความไม่ตั้งใจทุก้ดยสัญชาติญาณใช่ัหยแค่พิขาโดยไม่ตั้งใจเนี่ยเป็นสัญชาตยญาณแล้วแต่พิขาต้องรู้ตัวเพราะทุกอย่างรู้เนื้อตัวนั่งไปมันเป็นทุกใช่ไห แล้วก็ยกขึ้นอย่างรู้เนรู้ตัวทุกอย่างรู้ทุกต้องกําหนดรู้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะมาไม่ได้มาพูดเองนะทุกต้องกําหนดรู้รู้ขนาดไหนรู้จนได้ปริญญารู้ทุกจนได้ปริญญาเรียกว่าปริญญาแปลว่ากําหนดรู้ทุกต้องกําหนดรู้แต่เวลาเอาเป็นภาคปฏิบัติภาคเศริปัตฐานทุกต้องตามรู้กายานุปัสนาในที่พระท่านนําสวดใช่ไหม ขะชันตัววะขะชามีติปัญชาณตินักปฏิบัติเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดๆว่ากำลังเดินอยู่ที่ตัววาที่ตัวมหิติปัญชาาตินักปฏิบัติเมื่อยืนก็ให้รู้ชัดๆว่ากำลังยืนอยู่เราได้รู้ชัดๆไห้เวลายืนจะยืนยังไงโอกระยุงกระเยงกระยางขึ้นพัด <laughs> ถ้าจะล้มทั้งยืนเนอะเนะนะต้อง ทับหนึ่งสองสามสี่พอเราจะลุกขึ้นยืนจนถึงยื่นตรงเนี่ยมันต้องผ่านทั้งสิบขบวนการนะที่ตัวนิสินโนวานิสนุมหีติปาชาณติเมื่อนั่งให้รู้ชัดๆว่านั่งอยู่เรานั่งทับอะไรนั่งทับทุกข์ใช่ไหมปวดนังปวดเอวปวดหนักเราเขอดิ้นไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยรู้ตัวไหมว่าขณะที่เราดิ้นขณะที่เราขยับเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเพื่อระบายทุกข์ใช่ไหมถ้ามันนิ่งนั่งนิ่งโดยที่ไม่ขยับก็ยื่นแล้วไปไง ทุกคนก็เพิ่มขึ้นเลื่อยทุกเพราะอะไรทุกเพราะเลือดลมเขาต้องหมุนตลอดเวลาที่เรานั่งทับเซียวต่างๆที่เลือดลมต้องหมุนผ่า น, นมันผ่านไม่ได้เพราะผ่านไม่ได้มันก็เกิดตีตลบเลือดลมมันก็ตีขึ้นทําให้เราต้องปวดหลัลงปวดเดียวเราก็ขยับกําหนดรู้ ก, ก่อนแล้วขยับยนี่น้สินโนวานิสินโนมหีตีประชานิติคือคืนนอนพลิกหลายครั้งไหม โอ้โหพิกหลายตลบเลยก็จะนอนหลับได้นั่นสยาโนวาสยาโนามาฮีติไปใช่มเมื่อนอนก็ให้รู้ชัดๆว่านอนอยู่ว่าเราพลิกแล้วคลิกอีกใช่ไหมบางคนนอนไม่หลับสามคืนแล้วน่าจะนอนหลับแล้วเนาะอ่าน่าจะนอนหลับเราพรุ่งนี้หลวงพ่อจะพาเก็ยบารุงแล้วนะอ่าตอนหลังมาเนี่ยมาไม่ได้มาช่วงตุนต่นๆก็มาช่วงต้นวั า, าจานทร์ถ้าให้อ่าปรับอินทรีย์ไปก่อนอย่างน้อยสามวัน เมื่อคืนนี้เริ่มนอนหลับยาวได้เลยใช่ไหมสอวันก่อนพลิกไปที่มาแทบทั้งคืนนี้ยังนอนไม่หลับเลยเนะนี่ยทุกต้องกําหนดรู้เวลานอนรู้ถ้าหากก็นอนไม่หลับยิ่งทําไงจเจริญอาณาปณสติกําหนดล ม, ล ม, ลมหายใจเข้าออกให้ชานานเอามาทำอย่างนี้มาเป็นคนหลับยากเมื่อก่อนหับยากทําไงพอมาเจริญสติแล้วามาเคยเริ่มต้นจะกธรรมนาปาจากหลวงพ่อพุทธทาสที่สลดโมูกมื่อก่อนทําอยู่ในสามปี ต่อมาก็มาทําหนอกับหลวงพ่อโชดกบัรหาธาตุจ้กคุณธรรมนทิทรราชมหามุนีต่อมาก็ไม่เจอวิธีการพว้เทียนก็นําพวกนั้นมาใช้เวลาเรานอนไม่แเรวก็จเจริญ น, นาปนาญญาสตินอนแล้วถ้าหากว่าอ่ามันยังไม่พร้อมที่จะนอนเพราะการนอนหลับเราบางังคับบัญชาไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาแต่เราจัดการได้ จัดการได้แทนที่จะนอนกิ้งไปกิ้งมาฟุ้งซ่านใช่ไหมเราก็อยเจริญนานาพจนิกรมนดษย์รู้ให้ลมาหายใจเข้าออกอยู่งนั้นแนหะถ้ามันไม่หลับก็ดีเราจะได้จดเรจริญเจริญนานาปณสติทั้งคืนแต่ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนี้แค่นาทีเดียวสองนาทีไปเลยนะมันรู้มันรู้ทางของมันดึงไอ้ใจมาอยู่กระลกให้ใจปั๊บนี่ม้อยหลับไปเลยไม่ต้องฝันเลยนะตื่นมาอีกทีก็ที่สามครึ่งก็ออกกําลังกายต่อ ที่สี่ครึ่งก็ไปสูงน้ำที่ห้ า, าคุยนักปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ทำไมก็ปรากฏว่าแต่ละปีเนี่ยมีคนขยันขยอมาหรือหลวงพ่อเนี่ยไปหาหมอไปตรวจเช็คสุขภาพบอกว่าทำงานทั้งปีไม่ได้พักเนี่ยบก ว, ว่าจะไม่สบายเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้มานั่งพูทธมาให้ฟังปีนี้หมอทวอ ขยันขยอยแล้วสี่ห้าครั้งหมงเพราะไม่มีเวลาตอนนั้นแกเอาหุสาวรถไปรับพิวัดเลยไนงะไปตรวจสุขภาพที่เชียงใหม่ลามหมดุดแกก็จัดการได้ให้หมดุดอ่ะห้าพันหกพันก็เหมือนเดิมอ่อมาหมัยก็มีคอโโร์สโโตอลคอตอลอคเลสเตอรอลนะใ้เลือดสองร้อยสี่สิเจ็ดเอไม่ใช่บอกหวยนะ น, นี่นะก็อยู่อยู่ระดับนี้แหละเราไม่มากกว่านี้และ เออนอกนั้นเป็นอะไรบ้างเคยเป็นภูมิแพ้ก็ามาหายกับหมอทองเนี่ยทานในดาวอินคาน้ำมันไนออยเออก็ดีร่างกายปกติทุกอย่างเพราะนั้นไปเปิดอรมณ์ที่ไม่สอดหกเจ็ดวันคุณหมอที่บำรุงรักเรือนหมอหนุสนุนอุตส่าห์ตามไปที่นู่นนะทั้งสามีภัรญาจะพาหลวงพ่อไปตรวจลำไส้ใหญ่หลวงพ่ออาจารย์สนองมรณภาพด้วยมะเรเ็งลำไส้ใหญ่หลวงพ่อต้องไปตรวจให้ได้ นัดแล้วนัดอีกหวงพ่อยังไม่มีเวลาาไปเลยหมอ <c oughs> จนแค่รออยู่นั่นแหละหลวงพ่อเข้ากรุงเทพไม่ได้บอกผมนะผมเร่งมาเล่าไปตรวจไม่ต้องห่วงเนาะมาดูแลสุขภาพอยู่นะมาออกกาลังกายทุกวันนะมาดื่มน้ําทุกวันนะทุกต้องกําหนดรู้แล้วก็แก้ไขเมื่อเราแก้ไขอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรมีการเพราะฉะนั้นในทุกกระสูดทายเนี่ย ทุกเป็นการการกับหนดรู้เพื่ออะรู้เพื่อที่บำบัดแก้ไขทุกเมื่อให้ร่างกายทั้ทงด้านร่างกายและจิตใจทุกเกินไปด้่ย ก, การแก้ไขบำบับดอยู่เสมอให้รู้อย่างนี้นะรู้แล้วไม่แก้ไขบำบัดด้วยตัวเองมิแต่วิ่งไปกินยาหาหมอนั่นแล้ว เ, เรียกว่าเราไม่ได้ตามรู้ทุกพอให้ทุกเหมันข ม, มวดจนเป็นก้อนเป็นแข่งแล้วไปเป็นภาระของหมอและพยาบาลทุกมันไม่ใช่เรื่อง ป, ปุาา๊บปั้ว ม, มันเกิดขึ้นเหรใช่ไหมมันเกิดขึ้นแค่เล็นิดเล็นิดตอนที่เรานั่งนานเกินนานเกินไปก็ทุกข ปวดแค่ปวดขานั้นนะ่ะสัญญาณของโรคแล้วทุกขเวทนา น, นั่นคือสัญญาณของโรคถ้าเราเจริญสติแล้วเราอ่านทุกขเวทนาในร่างกายไม่ออกเรียกว่ายัางไม่รู้รูปนามนั้นนะรูปนามคือรู้ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทุก The body subject of suffering ว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกเราเมื่อมันรู้ว่าเป็นที่ตั้งของทุกเป็นที่ตั้งของของการแปลปรนเปลียปล่ยนแปลงใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองกะเรา ตั้งใจเปลี่ยนแปลงต่างกันไหมถ้ามันทุกเกิดขึ้นเองเราตั้งใจทุกต่างกันไหมการดับสลายของทุกนั้นเราตั้งใจให้มันดับสลายแล้วมันดับสลายเองต่างกันไหมอ่านี่เห็นไหมทุกต้องกําหนดรู้คือตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติว่าเราจะพิกขานมันจะเปลี่ยนแปลงอีบทใช่ไหมตั้งใจเปลี่ยนเนี่ยก็เรียกว่ากำหนดรู้อ่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเปลี่ยนแปลนี่เป็นอนิจจังใช่ไหม มันเปลี่ยนแปลงเองร่างกายนะมันเปลี่ยนแปลงของมันเองอย่างุมนั่งแล้วไม่ให้มันหนักไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดหลังปวดเอวเนะี่ยสั่งมันได้ไห ม, ไมเออคุณนั่งแล้วสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยมันจะให้มันหนักก้นหนักไหล่หนักหลังหนักไหล่เนี่ยสั่งมันได้ไหมเพราะอะไรสั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เป็นอนัตตาประคาบประคอไม่ได้ทีนี้พอเราจัดการที่อนิจจง ทุกขังอนัตตาก็ถูกจัดการไปด้วยถ้าจัดการที่ทุกขังอนิจจและอนัตตาก็ถูกจัดการไปด้วยถ้าจัดการที่อนัตตาทุกขังและอนิจงนจงก็ถูกจัดการไปด้วยจัดการตัวใดตัวหนึ่งเอาอะไรไปจัดการเอาอะไรไปจัดการสมัมมาสติให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ท่านบอกเมื่อกี้สัมมาสติแล้วเกิดสัมมาปัญญา คุณประดิษฐ์เอาน้ำมนามาถวายหลวงพ่อก็อเลยทานแก้ขอแห้งนิดนะทีนี้บทต่อมาที่พระท่านสวนเมื่อกี้ใช่ไหมอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานญการีโหติในบทที่สองท่านบอกให้ตามรู้ให้ทั่วถึงนะเมื่อกี้ตามรู้เฉพาะยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมสติเนี่ยเมือนกับเราจุดไฟฉายจุดไอ ไม่ขีดไฟขึ้นหรือกดสวิตช์ไฟฉายหน้าที่สติมีแค่นั้นพอกดไฟแชกแล้วเกิดไฮเตอร์ปั๊บเนี่ยมันขึ้นมาอนหมดสติขณะที่ไฟมันอยู่ที่หัวไม่ขีดก็ดีไฟอยู่ที่ไฮเตอร์ก็ดีนั้นก็เรียกว่าสติพอไปจุดใส่อะไรไปจุดใส่เทียนไขนะไปจุดใส่เตาหรือไปจุดใส่เทียนมันสว่างต่อหน้าที่ของไฟแชกหมดละนั่นคือหน้าที่ของสติหมดตัวนั้นหน้าที่ของสติเรายกเนี่ยเพื่อที่จะต่อ แสงสว่างนี้ไปสู่แสงสว่างหลักคือตะเกียงเทียนไขเมื่อเทียนไขหรือตะเกียงติดแล้วจะต้องจุดไม้ขีดอีกไหมจะต้องกดไฮเตอร์อีกไหมไม่ต้องหมดหน้าที่แล้วสติที่เรายกแต่ละครั้งเนี่ยคือการจุดจุดประกายจุดประกายของความรู้สึกตัวเข้าไปก่อนสมัยก่อนเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เนอะ เราก็เหยียบออกใช่มพื้นพึ้นควรจะติดเนาะบางคนยกตั้งหลายทียังไม่ตั้งสติยังไม่ได้ใจลอยไปไหนไม่รู้นะอ่าอันนี้เหยียบมอดดิไซก็จะติดต้องเหยียบหลายทีอันนี้ยกมือตั้งหลายครั้งคือจะรู้สึกตัวตั้งสติบางคนเหยียบทีเดียวพึ่งติดเลยนะนั่นหมายความว่าตั้งใจเหยียบบางคนเหยียบไปงั้นแหละสามสีทียีงติดอันนี้ข้อมูลกันจุดไฟใส่เทียนไขไม่ใช่บางทีบางคนขีดไม่เป็นนะขีดแล้วไฟแรงก็ดับไปก็มีอารมณ์แรงดับไป นั้นหมายความว่ายกไปแล้วอารมณ์ยังมีอยู่ความคิดยังมากวนอยู่สติที่จะยกแต่ละค่ำก็ดับไปแทนที่จะไปติดใส่ความรู้สึกมันติดเพราะอะไรมีลมคือความคิดอารมณ์มันมากระทบแล้มันดับเวลายกแทนที่จะรู้สึกตัวเลยเอาไปแล้วไปกับความคิดดีแล้วดับไปแล้วบางทีเสียากานไม่ขีดไปตั้งสี่ห้าก้านก็จะติดได้นะเพราะฉะนั้นในแง่ของนามธรรมากับรูปธรรมเนี่ยมันไม่ต่างกันนะ แต่ที่มันต่างกันเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในบทที่สองท่านจะว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าอภิกันเตแต่ว่าเดินนักปฏิบัติส่วนใหญ่เดินแต่ก้าวไปข้างหน้าไปถึงทุนนี้ก็กลับก้าวไาข้างหน้าเนี้ยหมวดเดียวนะาจริงๆอภิกันเตปฏิมันมีสองหมวดหมวดไปข้างหน้าถอยหลังนี่ยมันต้องถอยจริงๆนะไม่ใช่หันกลับมาแล้วก็ถอยไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่พิกกับตัวก็เป็นอภิกันเตอย่างเดียวถอยก็คือถอยจริงถอยหลังนะแต่หลังมาก็เลยมาแก้บทเรียนตรงนั้นออกอ๋อเดินไปเข้าข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องถอยหลังด้วยถอยหลังมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบเดินก้าวหน้าเลยถอยหลังเคยเดินไหมเคยใช่รู้สึกต่างกันไหมต่างกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกก้าวหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเนี่ยอันไหนอันไหนรู้สึกอันไหนรู้สึกตัวดีกว่าถอยหลัง ถอยหลังใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันใช้ตาในตานอกมันมันมันชินมองอะไรไม่ค่อยชัดหรอกมันมันชินเพราะเราถอยหลังต้องใช้ตาในใช่ไหมอ่าต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะนั้นการใช้ตาในคือกลับเข้ามาดูข้างในตัวเองเรียกว่าใช้ตาในแต่เวลาตั้งแต่ตื่นมาเรามีไดใช้ตานอกเราตื่นมาไดงใช้แต่นอกมอง้างนอกแต่พอเราทำอะไรบางครั้งก็หลับตาทำ สมัยหลวงพ่ออนุมาอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสดว่าท่านบอกว่าให้ฝึกอโลกะกับศีลมั่งสิทําไงหลวงพ่อกลางคืนคุณเดินไปไหนคุณเดินไปที่มืดมืดหรือเวลาเดินกลางวันคุณก็หลับตาเดินดูบ้างแล้วก็นึกถึงเป็นอโลกะสัญญาให้แสงสว่างแล้วก็ฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเกิดอภิญญาได้ง่ายอ๋อได้ฝึกอภิญญากับท่านเรื่องอโลกะสัญญาคือบางครั้งเรหลับตาเดินนะ เอออย่าไปทำนะดับไดเล่อเกิดหกล้มคุณมามาโทษธรรมมาไม่ได้คือการฝึกฝนเน่ยเราเมาื่อครูบาอาจารย์สอนมาแค่นี้เราสามารถที่จะดัดแปลงฝึกฝนไปได้หลายอย่างท่านท่านท่า น, านให้เช็ดเรามาแล้วเราจะเอาตามถ้าความรู้จะเอาตามที่อาจารย์บอกอย่างเดียวไม่พอหรอกเราจะต้องไปใช้ปัญญาของเราดัดแปลงเอาเองเพราะฉนั้นหลังจากเข้าใจเรื่องทุกทุกต้องตามรู้ทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องรู้ให้ทั่วถึงในกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหน อแล้วไอ้การยกมือนี่เพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวไฟเข้าไปสองดูไฟสติคือไฟที่เรากดแช็ลงไปสัมปัญญะคือไฟฉายที่มันสว่างแล้วเร า, ากดไฟฉายพอกดไฟฉายก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นทั้งตัวใช่ไหมถ้าเด็กหัวเยียเท้าขณะนี้เรามีความรู้สึกอะไรบ้างตรงไหนสบายตรงไหนไม่สบายตรงไหนอึดอัดเรารู้สึกตัวไหมนี่เรียกว่าสัมปชัชญะอ่าสัมปชัญญะและ ถ้าหากว่าเราขยับเขยื่อนเคลืนไหวโดยที่ไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเป็นสมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมูทัยคืออะไรคือการอยากจะพลิกอยากจะเปลี่ยนแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าความอยากมันเกิดขึ้นแล้วอยากจะเปลี่ยนขาอยากจะเปลี่ยนอิเดียโบเนี่ยเป็นความอยากเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอยากอะไรนั่งท่านี้มันไม่สบายแล้วก็อยากอะไรอยากสบายเราถึงเปลี่ยนถ้าเราไม่อยากสบายเราจะเปลี่ยนไหม ก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนความอยากให้เป็นความรู้ได้อย่างไรก็คือตั้งสติก่อนเพราะนั้นทำไมเร า, าต้องยกมือบ่อยๆเพื่อจะเรียกสติมาดูไวๆ้ๆพอสติมาดูก็ค่อยยกไปเปลี่ยนความอยากให้เป็นความรู้พอเราเปลี่ยนขาไปสัญญาณแรกที่เรารู้สึกคือความหนักความไม่สบายหายไปใช่ไหมนี่ได้อันนิสงอันที่หนึ่งคือความอยากความไม่ความไม่สบายหายไปไไอันนิสงอันที่ออมมมมสอนนสงอ ถ้าเราตั้งใจรู้เราเปลี่ยนความอยากให้เป็นความรู้ได้สำเร็จเกิดนิโรธสองอย่างเลยหนึ่งความปวดเมื่อยในร่างกายดับไปนิโรธไปสองความไม่รู้ทำด้วยสัญชตาตญาณนิโรธไปดับไปก็ได้ทั้งสองอย่างร่างกายก็สบายจิตใจก็สงบนี่เป็นนิโรธแล้วสามมักต้องตามรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ เที่ยวเดียวเอาครั้งต่อไปเปลี่ยนไม่รู้อีกแล้วอันนี้คือเรียกว่ามักไม่ต่อเนื่องมักไม่เจริญมักต้องเจริญใช่ไหมคือเจริญแปลว่ารู้บ่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยให้รู้บ่อยๆรู้แล้วค่อยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนด้วยความไม่รู้แสดงว่ามักไม่เจริญเมื่อมักไม่เจริญมันมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อย่างนี้แหละคือรู้ให้ถูกคือรู้อย่างนี้ว่าร่างกายนี่มันทุกตลอดเวลา หนักบ้างเบาบ้างที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เวลามันทุกน้อยลงเลยว่าสุขสุขแปว่าทนได้ง่ายใช่มอ่าทุกนี้แปลว่าทนได้ยากถ้าเราทนได้ง่ายแล้วก็นั่งนิ่งสักพักหนึ่งอันนี้เรียกว่าสุขเนาะทนได้ง่ายสักพักหนึ่งทนต่อไปได้ไหมไม่ได้แล้วทุกแล้วก็เปลี่ยนทุกต้องกําหนดรู้เอาอะไรมากำหนดรู้ก็คือการที่เรายกมือเคลื่อนไหวเนี่ยเอาตัวนี้มาตามรู้รู้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัว สมุทัยให้เป็นตัวนิโรธคือความไม่สบายกายก็ดับไปความไม่รู้ก็ดับไปเป็นนิโรธนิโรธทำให้ปรากฏนิโรธทำให้แจ้งหมายเขว่าทำให้มันชัดๆนะไอความสบายกายไม่ความสบายกายไม่สบายกายมีอยู่ไหมรู้ให้ชัดๆความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีอยู่ไหมขณะนี้รู้ให้ชัดๆแล้วก็รู้ให้บ่อยๆ การรู้บ่อยๆเรียกว่ามักการรู้ให้ชัดๆเรียกว่านิโรธนะแต่ตัวของทุกข์คือความไม่สบายมันมีอยู่แล้วมันเป็นกฎของไตรลักความไม่สบายกายเนี่ยอนนี้จังทุกขังอันตาเป็นไตรลักษใช่ไหมพอเรามีสติไปเปลี่ยนที่อใจจังก็ดีทุกขังก็ดีอันตรายอย่างรู้เนื้อรู้ตัวการเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนกฎของไตรลักษ์เป็นไตรอะไรไตรสิขาคือเปลี่ยน อันนี้จางเป็นสติหรือเป็นศีลเรารู้ตั้งใจรู้ทุกขณะที่กาลังเกิดถ้าความทุกข์ที่มันเกิดในกายความไม่สบายเกิดในกายของเรามันยังไม่ทันยังไม่ทันมากเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนดูให้มันนานๆก่อน ถ้าเปลี่ยนทุกเวลานาทีแล้วก็เป็นอะไรเป็นไฮเปอร์นะไฮเปอร์เมดิเทชันเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะไฮเปอร์แอคทีฟหือว่ า, าเด็กเป็นโรคสมัยนีย้เราก็เป็นนักกรรมฐานแบบไฮเปอร์เมดิเทชันไม่ได้ต้องทนหน่อยทุกต้องทนทนจนกระทนไม่ไหวมันจะทำให้ร่างทาให้จิตใจแล้วไหมทนแค่ไหนทนว่ารู้สึกมีผลต่อจิตละ มีผลตอให้เกิดความหงุดหงิดําคัญเบื่อหน่เซ็งนี่แสดงว่าเราไม่จัดการกระทู้ที่เกิดทางกายมันมาก่อผลที่จิตทําให้เกิดควา ม, ามําคัญหงุดหงิดคิดมากความจริงสาเหตุมันทุกข์มันไม่ได้ทางกายเราไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้ตามรู้มันถึงมีผลต่อจิตเป็นสมุทยัยแต่พอเราคอยตามรู้เรื่อยๆว่าทุกเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดที่เราทนไม่ได้จากหนึ่งถึงสิบเนี่ยพอในขั้นที่แปดที่เก้าเราก็เริ่มละใช่ไหม ดึ เ, เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เห็นมันจากหนักเป็นเบาเบาเบาเบาเบาทุ ก, กเบาลงเรียกว่าสุขสักพักหนึ่งเปลี่ยนอีกแล้วพอเปลี่ยนใหม่มันก็เริ่มหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนลักษณะอย่างนี้เรียกว่าทุกตามรู้ตอนนั้นเราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือได้พวกวิธีการของพ่อเทียนถ้าเป็นวิธีการอื่นนะ่อนะอนาปนสติก็ดีพุโทโธหน อ, อก็ดีต้องนั่งให้นิ่งนนะ่ะ ดิ้นไม่ได้เดี๋ยวไม่มีสมาธินะสมาธิองค์สมาธิจะเสื่อมหุ่นดิ้นไม่ได้นิ่งไม่ต้องนั่งนิ่งเดี๋ยวแล้วเป็นยังไงร่างกายหอ้โามาไปทำเกือบตายนะวันไหนที่ได้สตินะมันนิ่งเข้าชานไปเลยวันไหนที่ไม่ได้สติโอ้โหมันฟุ้งซ่านง่วงตลอดฟุ้งซ่านไม่ไหวปวดวจะเป็นจะตายให้ได้เห็นไหมมันก็ทาให้เราสุดตรงสุดตรงไปทางสงก คือเข้าความสงบไปเลยทำให้เราไปติดความสงบวันไหนนั่งปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิไม่ได้ความสงบูุ้ไไปไว้วันนี้ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยวันไหนที่ปฏิบัติแล้วเข้าความสงบเข้าชั่งโอ้วันนี้ปฏิบัติได้อารมณ์ดีมากมันก็จะไปอยู่เนี่ยสงบไม่สงบสงบไม่สงบฟุ้งซ่านสงบมันก็ไม่ไปไหนอ่ะ เราต้องการว่าเอ้เราจะจัดการความสงบได้อย่างไรความไม่สงบเราจัดการได้ความทุกข์เราจัดการมันได้ยังไงตลอดเวลามันจัดการเราเราไม่ได้จัดการมันใช่ไหมเราก็เดวิ่งหนีมันเวลาไม่สบายแล้วก็วิ่งหนีมันเวลาสบายขึ้นมาเราก็เสพมันก็อยู่ในภาวะที่วิ่งวุ่นฉุดตรงตลอดแต่พอมาเจอวิธีการของพุทเธียนคุณนั่งยังไงก็ได้ ไม่ต้องขาหัวทับขาซ้ายมือขัวทับมือซ้ายต่างตัวตรงดำรงสติมันดำกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธสมาหลังหนออะไรเนี่ยมันก็สู่เดียวกันหมดอะ่ะมาถามหลวงพ่อเทียนว่าเอ๊ะหลวงพ่อกรรมฐ า, านดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยมันมันไม่สวยนะท่านกรรมฐ า, านมันต้องนิ่งหลับตาเข้าชานสวยสงา่ามานั่งหลับถามว่า มันก็ได้สติดีนะหลวงพ่ออืมแล้วเวลามันง่วงคุณรู้ไหมมันง่วงมันปรุงแต่งพุ่งสัานอย่านัน่งรู้ไหมไม่รู้เพราะอะไรท่านบอกว่าอย่างงี้บอกว่าต้นไม้ท่อนเท่าขาเนี่ยคุณเอามีดโกนไปตัดขาดไหมไม่ขาดเพราะอะไรมันคมมากเลยนะมีโกนะอ่ะต้นไม้เนี่ยคุณเอาคัตเตอร์ไปตัดขาดไหมขาดทั้นนี่มันคมทําไมไม่ขาด มันขาดอะไรมันเพราะอะไรโคมากอะ่ะทาไมแตดไม่ขาดเพราะมันขาดน้ำหนักขาดกําลังเพราะถ้าหากว่าเราจะไปตัดต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นเราใช้มีโต้ใช้ขวานใช่ไหมอ่ามันขาดบอกว่าท่านบอกว่าฉันใดก็ดีสติสัมยาชีที่ได้จากอาณาปณะสติเนี่ยมันเหมือนมีโกนมันโคบเชียบแต่มันไม่มีกําลัง มันก็ไปติดอยู่แค่นั้นอะ่ะทำให้คุณแช่ในความสงบความสุขอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติคุณก็ไม่ไปไหนอะ่ะแต่ว่าต้นไม้คืออวิชชาคือความไม่รู้ตัวของคุณเนี่ยมันเติบโตมาเท่าไหร่กี่พกี่ชาติต้นเริ่มบัวเริ่มยิ่งกว่าต้นโพ อ, อีกแล้วคุณจะเอาลมหายใจบางๆไปตัดมะขามได้ไงโอ้โหเชื่อคํำนี้มาเก็ตเลยหมายความว่าต่อมาก่อนหน้านะั้นมายอมทําไม่ยอ ม, ม, ย, อมยกมือนะอยู่กับหลวงพ่อพ อ, อายเขา เราเคยนั่งปฏิบัติอาณาปาแบบหนอแบบสัมมาหลังมาก่อนมานั่งดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยมันไม่ค่อยท่าหรอกรับไม่ได้แต่พอม่เข้าใจคอนเซปต์หลักคือแนวคิดหลักว่าเพื่ออะไรอ๋อเพื่อเพิ่มกําลังให้สติสมาธิญะหลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธลมหายใจแต่พระบอกลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวใช้มันด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณจะมาเคลื่อนไหวแล้วคุณลืมลมหายใจก็ไม่ใช่ฝึกลมหายใจให้ลึกๆ ท, ทําพระกวดทำอาณาปาได้ดีกว่าเดิมอีก หายใจก็ได้ลึกหายใจก็ได้หน่ะร่างกายแล้วก็หายใจน้อยไม่พอลมปราณไม่พออชอี่เย็นไม่พอร่างกายป่วยเราก็ต้องหายใจให้ลึกกว่าเดิมอีกหายใจให้บ่อยกว่าเดิมอีกอ๋อนี่คือลมหายใจไม่ใช่ไม่ดีแต่มันน้อยไปต้องทํามัน <c oughs> ตลอดเวลา <c oughs> พออามาฟังอย่างนี้ได้หลวงพ่อเทียนเป็นกระไนานมิตร <c oughs> เกิดความเข้าใจเอาไปทำตั้งแต่นั้นมาทําจนถึงปัจจุบันไม่ลังเลเลย จะทำที่ไหนใครจะว่างอกแงักเหมือนผีว่าผีป่วงก็ช้งวันน่ะนะะช่างวันเพราะอะไรหลวงพ่อจะขนาะอำเภอบ้นแทนบอกขี้ลายมะหุงสุกขุนว่าขี้ลายมะหุงสุกคือไอมะละกอยสุกเนี่ยนะดูมันไม่เข้าท่านะแต่มันหวานนะใช่ไหมขี้ลายมะหุงสุกขุนหว่าวิธีการสร้างเหวะดูมันไม่เข้าท่านะแต่ว่ามันหวานคือหมายว่ามันมีความหนักแน่นความกระชับแล้วจีของเราไม่เคยไปไหนง่ายๆนะมันเอาอยู่นะ แล้วมันจะไปไหนนี่พอกาหนดรู้ปั๊บมันอยู่เลยมันรู้ทั้งเนื้อทั้งตัวอการมาตามรู้กายและความไม่สบายของกายแก้ไขเป็นเป็นสมถะการมาตามรู้จิตแก้ไขความอยากอากอกจากจิตแล้วจัดการกับความคิดได้เป็นวิปัสนาโอ้สมถะวิปัสนามันต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ตามรู้กายตามรู้จิตให้สัมพันธ์นี้เราเรียกว่าไม่เป็นสมถะแบบพุทธนะเป็นสมถะแบบพรามณแต่สมถะแบบพุทธคือการรู้กายเห็นความรู้สึกทางกายแก้ไขความรู้สึกทางกายอย่างชัดเจนได้ทําให้ร่างกายนี้สบายไม่เจ็บป่วยเอามาหลังจากเข้าใจหลักการนี้ก็ตั้งแต่ปี40มาถึงปัจจุบันใน20ปีเนี่ยเรื่องจะล้มหมอนนอนเสือนี่ไม่เคยมีแต่เว้นแต่อักเสบ อุบัติเหตุน่ยได้ล้มหมนอนเสียก็มีไม่บ่อยครั้งะเราเจริญสติแต่มีปีกายนี่โดนครั้งหนึ่งจังๆเลยนะไม่อุบัติเหตุมาหลายปีปีกายนอนจังๆแต่ก็ฟื้นภายในไม่นานนะกลับมาปกติเหมือนเดิมทั้งๆที่ว่ามันจะต้องล้มกระแทกครั้งนั้นท่านจะเป็นำเมล็ดเอรราพาดนะแทบหลังหักนะแต่มาเรื่องการใช้กายแบบภาพบำบัติที่เราทำอยู่ค่าทำออกกำลังกายเนี่ยทาให้รับประคับประคองร่างกายได้ดีนะตอ น, นั้น การเจริญธรรมาฐานขุรรยามันไปไปทางเพื่อความสุขที่เหนือสุขอ่เรนใช้ว่าบร ม, มสุขนะหมายของเราเรารู้จับเขาว่าบรมหมายความันเหนือสุขเหนือทุกคือมันยอดของไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นสุขแท้ไม่ใช่สุขเทียมคือสุขที่มันไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องปเป็นเหน็ดเหนื่อย ได้สุขที่เกิดจากการได้ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสเกิดความสนุกสนานปลอยใจอแด้อาหารร่อยได้ภาพสวยได้กลิ่นหอมได้สัมผัสดีๆเนี่ยมันก็สุขชั่วข่าวข่าวเดียวใช่ไหมได้สุขเพราะจิตมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์มันยอดของสุขจริงๆพุทธเจ้าท่านกล่ว่านิพพานังปรามังสุขังใช่ไหมความตับความเย็นของทุกข์ร่างกายและจิตใจเนี่ยมันยอดของสุขจริงๆนิพพานังปรามังสุนญญงการที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมันว่างจากทุก กว่างจากสุขเนี่ยมันยอดของสุขจริงๆอันนี้พุทเจ้าตรัสนะไม่ไ ด, ไไดไ้ไม่ได้มั่วในเรื่องนี้นะท่านตรัสแว่าเป็นหลักเป็นฐานดังนั้นถ้าเราฟังเรื่องนี้เข้าใจเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมละคือพยายามแต่หากว่าได้เดี๋ยวเดียวกลับออกไปลืมนี่ก็ไม่ได้นะฮะมีแตว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดวงตาเห็นธรรมตอนฟังนี่แหละแต่ออกไปยังไม่ได้ตามดูอย่างที่ที่บอกเนี่ยมันก็ลืมนะดังนั้นจะเห็นว่าโู้คําสอนวุฒิธรรมวิเศษตรงที่เราเข้าใจถูก น่ะดังนั้นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจชีวิตให้ถูกต้องเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําไม่ว่าเด็กไม่ผู้ใหญ่คนจริงต้องทําตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแหละเจ็ดขวบไปขวบเริ่มทําให้เด็กทำแล้วอ่าแต่นี่มาเอาเท่าไหร่กี่ขวบแล้วห้าสิบขวบเจ็ดสิบขวบมันไม่ไหวแล้วหมดสภาพแล้วนะ แต่ไม่ไม่เป็นไรเู้มีศรัทธาอยู่นะเมื่อมีศรัทธาสามารถจะฟื้นฟูได้อยู่นะฟื้นฟูได้อยู่เอามามาเจอเรื่องนี้ก็อายุเกือบข้าเกือบสามสิบปีแล้วนะนะแต่ก่อนหน้าก็เรียนนะเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนปริยัติเรียนก็เป็นเรียนเฉยๆเป็นการจำอ่ะมันไม่ใช่จริงรู้จำนะรู้จารู้จักยังไม่รู้แจ้งรู้จริงหลังจากที่มาเข้าใจรูปนามมาเข้าใจถ้าเข้าใจรูปนามคือดูทุกข์กับความ ทุกดูกายกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเรียกว่าดูกายกับเวทนาเรียกว่าเรารู้รูปนามอารมณ์ที่สองของพิจิตริกรารหลวเทียนคืออันที่สองมารู้นามรูปคือมารูจิตมารูความคิดที่เกิดขึ้นในจิตและจัดการกับความคิดในจิตได้เรียกว่ารู้นามรูปเราเห็นรูปทำงานต่างหากเห็นนามทำงานต่างหาก ไม่ไม่กวนกันไม่ทะเลาะกันอย่างที่แล้วมานะบางครั้งเราเจ็บกายมาันทะลุจิตเจ็บจิตทะลุ ก, กายอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างแยกรูกแยกนามไม่ออกต่อมาพอแยกรูปเอาอ๋กายก็เป็นเรื่องของกายเนี่ยเดีย๋ยวเราก็จัดการมันตามเรื่องของกายจิตมันคิดก็เรื่องของจิตก็จัดการความคิ ด, ดออกนี่เขาเรียกว่ารูทำนามทำแต่แรกตอนแรกจะรู้ ร, รูปนามคือความรู้สึกทางกายความไม่สบายทางกายเรียกว่ารู้รูปนามซะ ก, ก่อนต่อมาก็รู้นามรูปก็รู้ความคิด รู้จากจิตรู้จากความคิดที่เกิดจากจิกตมันคนละส่วนกันนี่รู้นามรูปพอเห็นกายกับจิตมันทํางานของใครของมันไม่เกี่ยวข้องกันถ้าเราเห็นชัดเจนเราแยกความคิดกับแยกกายความรู้สึกกับกายกันชัดเจนเรียกว่ารู้รูปทำนามทำมันทําหน้าที่ของมันเราเข้าใจให้ถูกเราก็เพียงแต่ใช้สติสัญญาเข้าไปสองนั้นมันเห็นชัดๆแล้วเนอมันแยกกันอย่างนี้นะอ่า เราไม่สบายกายจิตใจะําคานด้วยนี่แสดงว่าเราไม่รู้กายไม่รู้จิตมันก็เลยปนกันความไม่สบายกายไปทะลุถึงจิตความไม่สบายจิตไปทะลุถึงกายเราไม่รู้รูปธรรมนามธรรมโอ้อันนี้สูตรหลวงพ่อเทียนหมาก็เลยโอ้มั่นใจมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มไปบอกเพื่อนฝูงต่างๆตัง้ตงแต่แรกในสมัยที่สัญญาณแรกที่สุดนะ เมื่อก่อนพอปีสองเก้าอามาเข้าใจเรื่องนี้นะปีสามศูนย์เอามาเริ่มไปทํามาเนี่ยบ้านที่คอนสารนี่อํเาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่นั่นมีถ้ำเยอะเอามาไปจำพรรษาอยู่แถววัดปักช่องแถวใกล้ถ้ำเพื่อจะเข้าไปหลบภาวนาต่อที่สงบสงบปรากฏว่าอยู่ได้พรรษาเนี่ยหลวงพ่อจันทะบ้านอํนเ า, านเภอบรรเทนนี่นะท่านเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อบุญธรรมมืก่อนไปตามรู้อาตมาอยู่ที่ไหนจะไปตามหาอาตมา ให้มาจำพรรษาอยู่ที่บันเทนพนรรษาแรกไม่มาแกก็จำพรรษากรอเตม่าโจทย์ก็ออกพรรษาหลวงพ่อเอาหลวงพ่อคําเขียนไปตามหาหลวงพ่อเขียนไปตามหาให้อบอกมาอยู่ตรงนี้มาทําตรงนี้ก็เลยมาทําสํานักแรกอยู่ที่อําเภอบันเทนอันนี้หลวงพ่อจะท่าตายแล้วพรรษาที่แล้วมรณะภาพแล้วอามาก็เลยบอกเอออย่าเพิ่งเผาเก็บศพไว้ก่อนตอนนี้เก็บศพไว้ที่พระป่ายชุมมงคล เ, เสร็จงานนี้เราจะไปเผาท่านจัดงานที่นั่นสามวันเสร็จที่นี่ไปที่อย้าใช่ไหมยี 26, 27, ่สิบหกยี่บเจ็ดยี่แปดเข้าไจัดที่นั่น ไปจัดที่นี่แจ้งว่าจะจัดสักห้าวันแต่ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เนี่ยเขไปจัดอบรมฤที่ครุสติกรุงเทพก็เดินไปรีบไปมีเวลากลับไปจากการที่ธุราธิวัดที่แพรวันเดียวยี่ิบเก้าวันที่สามสิบก็รีบเข้ากรุงเทพเสร็จวันที่แปดก็รีบขึ้นแพรจากธุราธิวัดยี่สิบเก้ากลับมาวันที่สามสิบก็ลมงานที่ เขารู้สติจนไปถึงวันที่สี่ก็กลับอเมริกาแล้เวลามันก็หมุนไปอย่างเงี้ยอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาที่จะหยุดทํางานตลอดนะดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าการได้พบกับเรมิสคือได้รู้สิ่งนี้ถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วต้องเอาไปทํานะเอามาบอกนะี่เหมือนเอามาเป็นพ่อครัวนะปรุงอาหารขึ้นมาหม้อหนึ่งที่โยมจะกินหรือไม่กินโยมจะฉันหรือไม่ฉันเอาไปเรื่องของโยมล้วทีนี้ได้เอามีอามามีหน้าที่ปรุงว่าอาหารหม้อนี้กินแล้วไม่ตายได้อมาตะแน่เลย แต่บางคนยังลังเลเหมันนายกินหรือเปล่านะนี้รู้ส ก, กินมัน แ, แปลกๆบางคนไม่ยอมกินนะบางคก็บอกอย่างเนี้ยเขาพูดกันแบบนี้แหละถ้าโยมเอาไปนําไปกินก็หมายของโยมไปปฏิบัติลองดูเวลามันทุกข์เวลามันขึ้นมันไหวตามรู้ให้ชัดๆรู้ไปเรื่อยๆเอาไม่คิดเผลอไม่รู้ตัวตั้งต้นใหม่เอาเม่เอกีเผลอพลิกแข่งพลิกขาไม่รู้ตัวตั้งต้นใหม่เอาไม่คกี้เหลวซ้ายแรงขวาโดยไม่รู้ตัวตั้งต้นใหม่ ใช่ไหมในนั้นท่านว่าอะโรกิเตวิโรกิเตสัมปชานการิโหติมีความปกติความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการเหลีวซ้ายไหลขวายมเคยกําหนดรู้บ้างไหมเวลาเหลียวซ้ายไหลขวาเคยตั้งใจรู้บ้างไหมไม่เคยหมุนเลยเนาะหมุนไปพออะไรกระทบปั๊ไปแล้วไม่ได้ตั้งสติรู้ก่อนเลยว่าจะเหลียวยังไงจะเหลียวแบบอัศโลมูชั่นแบบการ์ตูนก็ไม่ถูกกันนะให้มันพองาวมันนะ อันต่อมาท่านบอกว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมปัญช า, าการีโมติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการอ๋อวิธีการของโพุทเธีนคืออันนี้เองสัมมินชีเตเอาเข้ามาปาสาลิเตคือเหยียดออกถ้าเมื่อก่อนบอกว่าวิธีการขอวงพุทเถียนไม่มีในพระไตรปิฎกเลยมันไม่ใช่คุณอ่านบาลีไม่ถูกคุณแปลบาลีไม่ถูกเองความจริงอยู่ในบทว่าด้วยสัมปชัญญปะปปะข้อที่สาม สัมินชิเตเอาเข้ามาปา ส, สาลิเตเห ย, ยียดมืออกอกเวลาคุณไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยปา ส, สาลิเตใช่ไหมเขาก็ดึงเข้ามาอะไรคู่เข้ามาสัมินชิเตใช่ไหมปีเตขายย เ, เตสายยเตมีความรู้สึกัวพุกขพร้อมในการดื่มจิ้มอันนี้ปีเตขายยิเตสายิเตสัมประชานาการีมีความรู้สึกัวพุกพร้อมในการ ดื่มการลิ้มการเคี้ยวการกลืนทันไหมตอนไปทานาอาหารทานข้าวทานาน้าทันไหมไม่ทันร้อยทั้งร้อยกับผู้ป๊อะจัดการเลยนะอันนี้แหละที่มันช้าเพราะเราไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างจริงจังนะแล้วต่อมาท่านบอกอะไรสังขติปั ต, ตะชิวะระธารณีสัมปชานัการีโหติมีความรู้สึกตัวทุพพร้อมในการนุ่งสบงทรงชีวรทรงสังขติทีนี้เราเป็นชาวบ้านเนี่ยมีชีวัสังาติที่ไหนใช่ไหม แล้วก็แปลเสมอใหม่ว่ามีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำนัด า, าแป้งวีผมจัดเชือจัดผ้าใส่เสือส้อใส่ผ้ารู้สึกตัวไหมโอ้ไม่ได้รีบรีบมาที่ลานถาวพรพอดรีบแต่งเนื้อแต่งตัวรีบรังหน้าไปหมดเลยสติไม่ทันมันจะต้องมีเวลาเตรียมการให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นในวิธีกา ร, รากหัวเทียนอยู่ในหมวดของสัมปชัญญะปปพระพทั้งหมดเลย สัมปชัญญะประาพาสทมีเจ็ดหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือเดินจงกรมก้าวหน้าถอยหลังหมวดที่สองก็คืออโลกิเตเหลวซ้ายหลายขวาหมวดที่สามก็คือสร้างจังหวะหมวดที่สี่ก็คือการแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำํำทาแปรงแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันหมวดที่ห้าก็คือการดื่มการเคี้ยวการลิ้มหมวดที่หก อุจา ร, ประปัสสาวะกะเมสัมปชัญญกาลีเข้าห้องน้ําถ่ายหนักถ่ายเบารู้สึกตัวไหมเวลาเข้าห้องน้ําว่าถ่ายหนักยังไงถ่ายเบายังไงเข้าไปนี่มือไหนเปิดประตูมือไหนปิดประตูมือไหนที่ลือผ้าหรือ่เสื้อขึ้นก่อนที่จะนั่งอ่าแล้วอึดแรกที่กระแทกลงไปนะั้นรู้สึกอย่างไรอะไรเนี่ยตามรู้ไหมน่มาปลองไม่ค่อยได้ตามแตอันมาตามรู้อย่างนั้นเลยนะั่ฝึกขนาดนั้นเลยอันที่เจ็ด ข้าเตจิเตนิสินเนสุเตชากริเตตุนฮีภาเวสัมปชานการีโหติขันที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปในการมา ใ, ในการ Entonces, หยุดในการพูดในการนิ่งในการหลับโอ้อะไรยขนาดนั้นละเอียดขนาดนั้นเลยเนาะการพูดเนี่ยมาก็รู้ว่าปากมันพยโยขึ้นปพยโยลงลิ้นมันกระโดขึ้นกระโดลงรู้สึกภาพตาปากหายใจเนี่ย เป็นบทอยู่ในสัมปชัญญปะปปะคืออีดีบทย่อยทั้งหมดในวิธีการหลงพ่เทียนเพราะนั้นใครจะบอกว่าวิธีการหวพเทียนไม่มีในพระไตรปิฎกได้เถียงหัวชนฝาเลยนะ <c oughs> ไม่ทั้งชนก็ได้เลยเถียง <c oughs> บอกเขาตรงๆบนมีคุณไม่เปิดดยดิ้นนึกซือส่วนมุลของวัดท่ามแสงเทียนเนี่ยหน้าที่เท่นเนาไหร่นะที่บอกว่าหน้าเก้าสิบสองไลายๆในเมื่อกี้ท่านแต็จที่มันอยู่หน้าที่แปดสิบแปดในหนังสือของพระแสงเทียนนะ หะนั้นเองเรื่องเหล่านี้ให้รู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่พูดกันไปมั่วไปไม่ได้โดยเฉพาะมานําเสน อ, อามาจะพูดถึงเรื่องนี้ชัดๆก็พูดานซ้าๆอย่างนี้แหละไปพูดที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละเพราะเรื่องย่างที่พูดกันนี้หลายๆครั้งแล้วมันก็ยังทำไม่ได้อ่ะมีพระองค์หนึ่งของหลวงพ่อบุญธรรม บอกว่าอยู่กับหลวงพ่อมาตั้งหลายปีพูดแต่เรื่องเก่าพูดแต่เรื่องเดิมหลวงพ่ออุณธรรว่าไงหลวงพขนาดผมพูดเรื่องนี้ทุกวันคุณก็ยังทําไม่ได้เลยแล้วเรื่องอะไรคุณจะมีพูดเรื่องอื่นเมืงั้นนะหลวงพ่ออุณธรรพูดเรื่องอื่นคุณก็สับสนเสียเวลาเสียแรงแล้วเรื่องเก่าที่พูดให้ฟังทุกวันคุณยังทําไม่ได้เลยเมืงนั้นเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะะต้องทําในสิ่งนั้นเพราะว่าในวิธีการหลวงพ่อเถียนนั้นทําในสิ่งที่พูดและพูดในสิ่งที่ทําไม่ใช่เพ่อือ่งน นอกเรื่องนอกราวเสียเวลาไอ้คนพูดก็เหนื่อยใช่ไหมคนฟังก็ลำคานแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์อาตมาพูดมาก็ได้ประโยชน์ทำให้เกิดความแจ่มแจ้ ง, งลึกซึ้งลงไปยมฟังยมก็ได้ประโยชน์จดจำเอาไปปฏิบัติเราก็มาหากันในเวลาระยะเวลาอันสั้นเราก็แลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นทบทวนอีกทีหนึ่งนะว่าทั้งคนเก่าคนใหม่ เราจะต้องจำสัญญาณแรกของการปฏิบัติว่าเราเริ่มต้นอย่างไรทุกขณะเราจะต้องมีสิ่งที่เป็นแสงสว่างการแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วยังไม่พอเราต้องเป็นกระะนารยาณมิตรของเราเองถ้าเอาครูบาอาจารย์เป็นกาณมิตรอยู่กันที่นี่ไม่กี่วันเราก็เลิกจากกันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นทุกๆวันเวลาล้วใครจะเป็นกายามิตรของเราตัวเราเองต้องเป็นกาณมิตรของตัวเราเอง นั่นหมายความว่าจะต้องเอาสติสัมปชัญญะญเป็นกรนารณมิตรสีแรกนะแต่ว่าความเป็นกรนารณมิตรของอันแรกต้องอาศัยเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เพาะอะไรเพราะท่านมีประสบการณ์และได้ทำพิสูจน์เรื่องนั้นมาก่อน ต้องได้ทำมาเองนะไม่ใช่จำจากกำลังมาพูดให้กันฟังนะใครสอนก็ได้แบบนั้นนะในประเทศไทยมีมาหาวิทยาลัยพระโยวกนหนึ่งสองถึงเ้าเนี่ยเยอะแยะทำไมท่านไม่บรรลุทำอ่ถ้าหากว่าการจำจะทำให้เข้าใจได้ใช่ไมมันต้องลงมือทำคือภาวนามยปัญญาลงมือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจจริงๆนะอันที่สองให้รู้ว่า ทุกทางกายที่ไม่กําหนดรู้มันจะก่อให้เกิดตัวสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดความอยากสบายและไม่สบายอันที่สามเมื่อทุกถูกกําหนดรู้สมุทัยถูกกาหนดรู้แล้วมันจะเกิดนิโรธคือความปรากฏชาติของความสบายทั้งกายทั้งใจอันที่สี่เมื่อรู้ว่าความสบายทางกายจะเป็นสิ่งที่ดีไปเสริฐต้องทําสิ่งนั้นบ่อยๆมักต้องเจริญ นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิต้องรู้อย่างนี้ถ้าการย า, ามาการยานมิตรมาอธิบายให้เราไม่รู้อย่างนี้เราเอาไปทําไม่ได้ก็ไม่ใช่การยานมิตรของเราหรือได้อาจารย์คุณได้คุณครูบาอาจารย์เป็นกามิตรแล้วเรายัางไม่สามารถน้อมนําความเป็นกริยามิตรเข้าไปสู่ในกายใกใจของเราเราก็ไม่เป็นกามิตรของตัวเราเองไม่ได้เดี๋ยวคุณออกจากที่นี้คุณก็ลืมใช่ไหมก็นึกได้ตอนเทศ่อาจามาพูดนี่ยพ่อออกไปที่ก็ลืมแล้วแสดงว่าเราได้กามิตรของตัวเองหรือยัง ยังไม่ได้ต้องไปฝึกให้ได้นเนาะไปนั่งทําทั้งวันไปสร้างกระเดียยวมิตรให้แก่ตัวเองนะเกิดความคุ้นเคยเกิดการเห็นตัวเองเกิดการแก้ไขปัญหาหตัวเองได้เข้าใจนะฉันเข้ร่กี่โมงหโมองอะ่ะมันแก้หมดเวลาแล้วเนาะขอเวลาอีกสองนาทีเวลาอีกสองนาทีเพราะฉะนั้นมาไม่ได้มานานล้อนะสลานี้ตั้งแต่สร้าง เดินเป็นปีแล้วเนี่ยไม่ได้มาเกือบปีเลตั้งแต่เริ่มสร้างพ่อมาแพลนไว้หมดแล้วแต่ว่าให้จันสมพงษ์ท่านเป็นคนทําตึกหลังนั้นก็เมื่อกันนามาทําเสร็จแล้วตรงก่อนสมัยก่อนเราเข้ามามีแต่สล า, าตรงนี้หลังเดียวข้างหน้าก็ไม่มีข้างข้างก็ไม่มีนะเรามาต่อเติมอัตมาอยู่ที่ไหนทีชอบต่อเติมของของจริงที่เขามีอยู่แล้วนะก็มาทํำกันตั้งแต่ปีสี่หกเป็นต้นมามาก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้ามไปเผยแพร่ที่อเมริกาก็ไปไปมา งานก็กระจายไปทั่วเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสวนเป๋มุ่ยสวนอะไรที่โล่งๆไม่มีต้นไม้แล้วเมาปลูกต้นไม้เสรจจะเป็นป่าเลยน ะ, ะได้จันพงที่ตามอรรมาได้ทุกรูปแบบน ะ, ะเผชิญปัญหาได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ธรรมมาได้ก็ข้มแข็งนะเพราะว่าต้องพิสูจน์กันถึงพิสูจน์สอบอารมณ์แบบนักปฏิบัติแบบหลเทีนไม่ใช่ว่าเออเป็นไงวันนี้ได้อารมณ์นี้ไม่ใช่นะ ทังดา่ทาทั้งว่าทั้งดูถูกเหยียดยามทั้งไล่นี้แหละเออถ้าคุณทนได้แบบสดงว่าคุณผ่านนั่นคือการสอบสบัลง์เพราะว่าคนเราเปนมีอัตราตัวตนใช่ไหมถ้าหากไม่ทําลายอัตราตัวตนของเขาแล้วธรรมะมันเข้าไม่ได้อาจจว่าโดนตีโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกเยียดย้มแล้วยังทนได้อยู่แสดงอัตราตัวตนลดลงแล้วธรรมะพร้อมจะเข้าไปได้แล้วส่วนใหญ่อยู่กับมาก็เพ่นกันหมดแล้วเพราะอะไรทไนไม่ได้ก็ไปข้างหน้าก็าไม่เจอปัญหาต่างๆอีกไม่จกหรอกนะ เพนั้นเลยสำนักไหนที่คุณไหนเข้มแข็งแล้วก็ให้อยู่ที่นั่นต่ออาจารย์ที่แพทย์แสงเทียนให้อาจารย์กสินอยู่ต่อท่านเข้มแข็งอยู่ทําหามานานาที่นี่ ท, ท, น ท, ทําแสงเทียนพระอาจารย์สมพงษ์เข้มแข็งให้อยู่ต่อที่พระทาแสงเทียนกําลังฝึกท่านเอฟอยู่นี่ท่านในเอฟเข้มแข็งต้องถูกสอบขนาดหนักเหมนทําท่าจะอยู่ได้แน่ะเป็นผ้าใหม่แต่วนะ่าสี่ห้าพรรษาทำท่าจะอยู่ได้มาก็ทํางานออกมาไปเรื่อยๆปีนี้พาไปเข้าเก็บอารมณ์าอยู่ที่ห้วยสวดอำเภยเชียงคํา จังหวัดพะเยาปรากฏว่าที่นั่นจะเกิดสำนักใหม่ที่ใดแห่งเกาเป็นค่ายเกี่ยวว่าลุงคงจะเป็นค่ายสุดท้ายของกัตมาอะไรตรงนั้นนะเพราะนั้นก็ทํางานกันมาสาสิบกว่าปีก็ไม่ด้วยอาศัยธรรมะของพระอาศัยคําสอนของพระเทียนแล้วก็มาเผยแพร่มาบอกกันอย่างเงี้ยทุกที่ทุกแห่งไปทั่วโลกนะยุโรปอเมริกา อ, อินโดนีเซียแคนาดาออสเตรเลียไปกันแทบทุกปีเพราะนั้น ก็ขออนวโมทนาในความโชคดีของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาพบกันตรงนี้แล้วก็มีเวลาได้พูดคุยในรายละเอียดกันในวันต่อไปจะขอให้ความตั้งใจอันนี้สามารถที่จะเห็นแสงแรกของชีวิตคือความมีเป็นกัลยาณมิตรของตนเองด้วยอาศัยพวกกุอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรความเป็นผู้มีสติปัญญาของตนเองด้วยอาศัยการได้ฟัง ทั้งเป็นสุตมยปัญญาจินตามะยปัญญาและภาวนามะยปัญญาจนเกิดโยนิโสมรติการคือความคิดความเห็นความเข้าใจด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งและหายสงสัยหมดสุขหมดหมดทุกข์หมดสุ ข, สขจนกระั่งอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านถึง